วิธีเจริญสมาธิอย่างที่สการเจริญสมาธิอย่างสามัญหรือฝึกสมาธิโดยใช้สติเป็นตัวนำการฝึกสมาธิด้วยอิทธิบาท4นั้นในด้านชีวิตประจำวันใช้ได้กับงานหรือการประกอบกิจต่างๆเช่นการเล่าเรียนและกิจกรรมทั้งหลายซึ่งมีความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของงานหรือกิจนั้นๆเป็นเป้าหมายให้แก่อิทธิบาท ทำให้เกิดแรงความเพียรประกอบการที่เรียกว่าประธานสังขารขึ้นมาพุ่งแล่นไปสู่เป้าหมายนั้นไม่ว่าจะเป็นการป้องกันแก้ไขสร้างขึ้นใหม่หรืออนุรักษ์ก็ตามจึงหนุนให้จิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นสมาธิอยู่ได้แต่ในการสัมพันธ์กับอารมณ์ซึ่งเพียงผ่านไปผ่านไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นิ่งเฉยหรือสิ่งที่ดำรงอยู่ตามสภาพ แทบไม่มีฐานที่ตั้งตัวหรือเป็นที่ทำการของอิทธิบาทในกรณีเช่นนี้องค์ธรรมที่จะใช้เป็นเครื่องชักนำหรือฝึกให้เกิดสมาธิก็คือองค์ธรรมพื้นฐานที่เรียกว่าสติเพราะสติเป็นเครื่องดึงและกลุ่มจิตไว้กับอารมณ์คือสิ่งที่พึงเกี่ยวข้องและกิจที่ต้องทำในเวลานั้นดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าสติเป็นที่พึ่งพานักของใจในวิธีนี้ ใช้สติเริ่มต้นให้แล้วพอรู้สึกว่าเข้าทีหรืออย่างที่ใช้คำพูดแบบชาวบ้านว่าเข้าท่าเข้าทางฉันทะก็จะมาตามธรรมาชาติเองการฝึกสมาธิด้วยอาศัยสติเป็นหลักแยกได้เป็นสองวิธีใหญ่คือ 1. การฝึกเพื่อใช้งานทางปัญญาหรือมุ่งประโยชน์ทางปัญญาได้แก่การใช้สตินาทางให้แก่ปัญญาหรือทางานร่วมกับปัญญา โดยคอยจับอารมณ์ส่งเสนอให้ปัญญารู้หรือพิจารณาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสติดึงหรือกุมจิตอยู่กับอารมณ์แล้วปัญญาก็พิจารณาหรือรู้เข้าใจอารมณ์นั้นตามวิธีฝึกแบบนี้สมาธิไม่ใช่ตัวเน้นแต่พลอยได้รับการฝึกไปด้วยพลอยเจริญไปด้วยเองพร้อมกับที่พลอยช่วยส่งเสริมการใช้ปัญญาให้เด็ดผลดียิ่งขึ้นด้วย การฝึกแบบนี้ได้แก่วิธีการส่วนใหญ่ของสติปัฏฐานซึ่งได้แสดงหลักการทั่วไปไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยสัมมาสติข้างต้นและเรียกได้ว่าเป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวัน 2. การฝึกเพื่อสร้างสมาธิล้วนๆหรือมุ่งลึกลงไปในทางสมาธิเพียงด้านเดียวได้แก่การใช้สติคอยจับอารมณ์ไว้ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้น ไม่คลาดจากกันหรือตรึงจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่กำลังกำหนดนั้นเรื่อยไปเป็นวิธีการที่เน้นสมาธิโดยตรงแม้หากบางครั้งจะใช้ปัญญาบ้างก็เพียงเล็กน้อยเป็นส่วนประกอบเช่นเพียงคิดพิจารณารู้ไปตามที่จำจำมาไม่มุ่งอย่างถึงตัวสภาวะการฝึกแบบนี้ได้แก่ส่วนสาระสำคัญของวิธีฝึกแบบที่สี่ คือการเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนที่จะกล่าวต่อไปหนังสือนี้มุ่งกล่าวเฉพาะหลักการทั่วไปยังไม่กล่าวถึงรายละเอียดของวิธีปฏิบัติจึงขอผ่านหัวข้อนี้ไปก่อน